นั่งฟังธรรมมาตามสบายฟังแบบกันเองที่วัดแท่งหนึ่งมีช่างก่อสร้างอยู่สมคนกำลังทำงานก่ออิกกันอยู่ช่างคนที่หนึ่งก่อสร้างไปทำงานไปด้วยความเซ็งทำทาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็ทำใหม่ช่างคนที่สองข ย, ขยันกว่าคนแรกแต่ก็ชอบมองนาฬิกาหน้าตาไม่มีความสุขเลยช่างคนที่สามทำงาน ด้วยความขยันขันแข็งหน้าตามีความสุขตอนนี้เหงื่อท่วมตัวแต่หน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสและทําได้มากกว่าสองคนแรกก็มีคนไปถามว่าถามว่าทาอะไรกันอยู่ช่างคนที่หนึ่งตอบว่ากําลังก่ออิฐช่างคนที่สองบอกว่ากําลังก่อกําแพงช่างคนที่สามบอกกําลังสร้างวัดครับให้เราจะเห็นได้เลยว่าวิธีคิดของคนเราเนี่ยต่างกันคนแรก ก็ทำงานไปแบบเหมือนกับว่าเขาจ้างมาทําแหละก็ทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละถึงเวลาก็รับผ้าจ้างคือไม่ได้คิดอะไรไกลกว่า น, นั้นช่างคนที่2ก็ดีอยู่คนแรกหน่อยคือแบบตั้งใจทํางานมากหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยอยู่ความสุขแต่คนที่สามเนี่ยคิดการใหญ่มีความรู้สึกว่าทําให้ประโยชน์ส่วนรวมคือสร้างวัดวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางจิตใจของญาติโยมทั่วไปเวลาทําแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยจึงทําเต็มที่เลย ไม่ได้สนใจเรื่องค่าจ้างค่าจ้างเป็นขอ ง, งได้ที่ต้องได้อยู่แล้วก็เหมือนพวกญาติโยมแหละมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนช่างสาคนเนี่ยที่อาละมาพูดพวกโยมจะเป็นช่างคนไหนใน3าคนนี้อย่างเมื่อวานอาจารย์อ๋อก็พูดว่าใจสั่งมาพ่อโยมส่วนใหญ่โดนบังคับมาถึงเวลาก็ทําตามหน้าที่ที่อาจารย์สมใจสอนแหละและ้วก็กลับไปแต่บางคนเนี่ยคิดไกลกว่านั้นไหนๆเขาก็าบังคับมาแล้วมาฝึกฝนตัวเองดีกว่าคือมีใจร่วมด้วยแต่คนที่ไม่มีใจร่วมเนี่ย ก็ยกมือไม่ให้ขึ้นหรอกเดินยงกกมก็เท้าหนักมีฟวาเสยเอ้ยเมื่อไหร่วันนี้จะหมดวันนาทีวันเวลาผ่านไปนานเลอเกินแต่ว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็จะกกมขึ้นกับเวลาไปมีความสุขอยู่กับการภาวนาด้วยเพราะเห็นว่าการภาวนาการเจริตสติเนี่ยได้ประโยชน์ตั้งใจทําไปตั้งใจฝึกฝนตัวเองไปแต่ก็ยังทําอยู่ในเวลานะพอเลิกเวลาก็พักมั่งอะไรมั่งก็ทิ้งละแต่ก็ยังดีกับพวกแรกพวกแรกที่ทํำมาขอพิที แต่ผู้ที่สมเนี่ยเลิกปฏิบัติแล้วก็ยังขยันพานาอยู่เผลอไปคิดก็กลับมารู้สึกตัวอันนี้หมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกลับบ้านไปแล้วก็ไปฝึกต่อแต่พวกพวกแรกได้ทิ้งเลยไม่ฝึกไปทําตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยชอบคือไม่ได้รักทางการปฏิบัติธรรมให้มุมมองจึงสําคัญอยู่ที่เราจะมองแบบไหนถ้ามองเป็นชีวิตเราก็เปลี่ยนและมีประโยชน์ มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งแกร่ํารวยมากแต่ก็มีโรคประจาตัวอยู่โรคหนึ่งคือโรคปวดศีรษะเพราะเศรษฐีเนี่ยเป็นคนขี้หุนหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเห็นแล้วก็ขวางหวงตายหมดบางทีก็ดุด่าลูกน้องบ้างว่าคนรอบข้างบ้างคืออาใจตัวเองชีวิตเศรษฐีก็เลยไม่มีความสุขปวดหัวให้หมอมารักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รักษาไม่หายจนอยู่บาวันหนึ่งมีฤาษีที่รู้จักกันเนี่ยมาเยี่ยม เศรษฐีจึงบอกเล่าอาการให้ฤศีฟังฤศีก็บอกว่าโลกของเจ้าเนี่ยรักษาง่ายทีดเดียวให้เจ้าเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยให้เป็นสีเขียวให้หมดแล้วโลกของเจ้าก็จะหายเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็ดีใจเพราะถือว่าคําบอกของฤศีจะทําง่ายแล้วหันลูกขึ้นเศรษฐีก็จ้างจ้างลูกน้องหรือคนงานนี่แหละให้ไปทาสีหมู่บ้านทั้งหมดเลยให้เป็นสีเขียวแล้วก็ ซื้อเสื้อสีเขียวให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยใส่เลยตอนนี้เศรษฐีก็มีความสุขขึ้นแล้วมองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวหมดเพราะว่าเด็กผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวกันเศรษฐีเปน็นคนรวยไงก็ใช้เงินนี่แหละซื้อความสุขอาการปวดหัวค่อยๆหายไปตัวเองก็มีความสุขมากขึ้นคันวันกาลเวลาผ่านไปสองสามเดือนหรือสีก็กลับมาเยี่ยมอีกแต่คันมาถึงช่างทาสีเห็นเห็นหรือสีเข้าก็วิ่งไล่จับจะมาทาหรือสีให้เป็นสีเขียว ฤๅษีก็วิ่งหนีอุตรุลเลยจนไปถึงบ้านเศรษฐีจนได้แบบทุรคุเลไปถึงก็ก็ว่าเศรษฐีเลยทําไมเจ้าทําแบบนี้ข้าไม่ได้บอกให้เจ้าเนี่ยไปทําแบบนี้นะเพราะว่าแค่เจ้าเนี่ยหาแว่นสีเขียวมาใส่ทุกสิทุกอย่างก็เป็นสีเขียวหมดแล้วนี่เจ้าต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียแรงงานต้องมากมายอันนี้ทําผิดวิธีนะคือเศรษฐีเนี่ยใช้แก้ปัญหาก็คือใช้เงินเนี่ยแหละ คือเป็นผู้วัตถุนิยมไงฤาษีบอกว่าแก้ปัญหาที่ใจใ จ, าาาใจเราสามารถเปลี่ยนได้คือใจสั่งมาเปลี่ยนเราทุกเปลี่ยนเราสุกก็ได้อยู่ที่วิธีคิดแล้วก็มุมมองเพราะคนรอบรอบตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกบางคนนิสัยแบบนี้บางคนก็ดีต่อเราบางคนก็ไม่ดีต่อเราแม้แต่ครอบครัวเราลูกสามีภรรยาเปลี่ยนไม่ได้หมดละเพราะแต่ละคนจะมีนิสัยแตกต่างกัน ม, มีความคิดความเห็นแตกต่างกันแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้ คันเราเปลี่ยนตัวเราเองปุ๊บเนี่ยทุกสี่ทอย่างรอบตัวเราจะเปลี่ยนหมดเลยสมมติเราเคยมองคนที่ในทางลบเนี่ยเราก็เปลี่ยนมองในแง่ดีของเขาเพราะแต่ละคนจะมีความดีทุกคนแหละจะมีมากมีน้อยทุกคนไม่มีใครชั่วหมดแต่ละบ้างก็เชื่อทุกคนมีความดีหมดถ้าคนเราเป็นพระอรหันต์แหละถึงจะดีสมบูรณ์แบบแต่ละคนจะมีข้อบกพร่องทางนั้นแหะถึงต้องมาฝึกมาปฏิบัติกันแต่เราจะยอมรับข้อบกพร่องเขาได้ไหมอย่างกอหลวงพ่อพุทธทาสก็ท่านก็บอกว่า เขาไม่ส่วนเร็วบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วจะไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามวดที่ค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอยฝึกก็เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอันนี้ก็ใช้ได้พวกญาติโยมเนี่ยหลังจากออกจากคอร์สไปเผชิญชีวิตทางโลกเนี่ย เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิด <S <S เปลี่ยนมุมมองแล้วคือมาเจริญสติรู้สึกตัวด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีคิดด้วยแต่ถ้าเราเจริญสติแต่วิธีคิดเราไม่เปลี่ยนนะเรามองโลกในแง่ลบเนี่ยกลับไปก็ทุกข์เหมือนเดิมแหละกลับไปก็ทุกข์เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยหรอกแต่สามารถเปลี่ยนใจเราได้อาจจะกลับบ้านไปพ่อแม่เราเป็นคนจู้จี้ขี้โบนหรือบางคนมีสามีเอาสามีเป็นคนขี้เหล้าเมายาเรื่องการพา น, านันเจ้าชู้ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยเราก็ทุกข์อ่ะ แก้ปัญหานี่ไม่ได้เลยแต่ถ้ายอมรับความเป็นจริงเอาเข้าไปอย่างนั้นแหละแค่เรายอมรับปุ๊บเนี่ยความทุกข์ก็จะลดลงทันทีเลยเราบองในแง่บวกได้เราเปลี่ยนเข้าไม่ได้นะอย่างทีลูกดือ้อเดี๋ยเราอยากเปลี่ยนให้ลูกเราเป็นคนที่ว่าไม่ดือ้อเป็นเด็กดีก็เปลี่ยนเข้าไม่ได้อีกแลแหละแม้ตัวเราเองแต่เราเปลี่ยนตัวเราก่อนเนี่ยอย่างอย่างพระใหม่เดี๋ยบางคนเนี่ยมาบวชไม่กี่วันเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วบางคนแลได้สมาธิหรือมีความสุขเราก็อยากสอนให้ พ่อแม่ญาติพี่น้องมีความสุขบ้างพอไปสอนเขาเขาไปฟังเขาด่าเราอีกเขาก็เห็นเราเป็นลูกกับพ่อแม่หรือพี่อะไรเงี้ยเพราะเราเพิ่งบวชไม่นานนี้ยก็สามารถทุกได้เลยนะแต่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก่อนสืบออกไปเคยติดปูรีเลิกเคยกินเหล้าเมาเลิกเคยเล่นการพนันเลิกเคยเคยติดอะไไอ้มุกต่างๆเนี่ยเราเลิกปุ๊บเราเป็นคนดีแล้วเราก็ไม่แช่ลมอ่ะมีเหตุผลําหน้าจไม่อารมณ์พุ่ง เวลาใครว่าเราก็ไปโกรธคือเราอยู่ให้เห็นน่ะเขาก็เริ่มศรัทธาเริ่มเชื่อถือเรามากขึ้นเพราะว่าคําพูดเนี่ยไม่มีน้ําหนักเท่ากับการกระทำบางทีเราพูดธรรมะขั้นสูงพูดเรื่องหลุดโพนพู ด, ดพลึดลิพานแต่เราทำไม่ได้เรายังทุก์อยู่อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยการกระทํำนี่แหละเป็นให้ดูอยู่ให้เห็นสําคัญกว่าการพูดด้วยซ้ำมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรหลวงพ่อท่านนี้ท่านก็ไปถึงเจ้าคูลชั้นเทพ เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดอุดรต่อชีวิตของท่านเนี่ยท่าจะมีความสุขเพราะท่านมองแต่ในแง่บวกเรื่องร้ายๆต่างๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยท่านก็เปลี่ยนจากห อ, อกให้เป็นดอกไม้ปิดเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีท่านมีชื่อว่าหลวงพ่อดีเนาะเรื่องนีย้ลามาเคยพูดบ่อยแต่ว่าพวกญาติโยมอาจจะไม่เคยฟังเพราะว่าเพิ่งมาไง ก็เลยเห็นว่าพูดเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดประโยชน์กับญาติโยมออกไปใช้ชีวิตแบบหลวงพ่อดีเนาะได้อยู่ท่านเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรท่านก็พูดติดปากจนจนออกมาว่าดีเนาะถ้าเรื่องสําคัญก็สําคัญเนาะ อ, อะไรก็เนาะหมดดีเนาะหมดจนท่านเนี่ยจนเป็นนิสัยเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์ไปไปฉันเพนแล้วก็ให้แสดงธรรมที่บ้านป้าเล็กศิษย์ก็อยู่ไกลหลวงพ่อเนี่ยก็รอกะว่าเช้ชาเนี่ยจะไปฉันเพนที่บ้านลูกศิษย์ กลเสียเวลามากรอเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกศิษย์ก็ไม่มาทีเพราะว่าลูกศิษย์รถเสียหลวงพ่อก็ออย่างนี้ฉันอาหารก็รอก็ดีเนาะตักอาหารมาฉันได้ไม่กี่คํารถลูกศิษย์ที่เสียก็มาก็มาถึงลูกศิษย์ก็มาขอโทษขอพยหลวงพ่อก็เปลี่ยนความคิดตัแต่ตอนนี้อไปฉันที่บ้านงานก็ดีเนาะแล้ท่านก็คือนรถไปรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่งรถก็เสียอีกคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อท่านก็ก็ว่าดีเนาะได้พักชมอยู่ข้างทาง คนขับซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ติดขึ้มาวานให้หลวงพ่อช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนี้ก็อายุมากแล้วหลวงพ่อก็ไปช่วยเข็นแหละหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะแต่ออกออกำลังกายบ้างก็เข็นไปเข็นมาจะลดติดแล้วแหละด้วยความที่เสียเวลาไปมากไปถึงบ้านงานเนี่ยก็เลยเพนหลวงพ่อฉันเช้าได้ม่กี่คําเพนก็หลังเที่ยงก็ฉันไม่ได้แล้วญาติโยมก็นิมนต์ให้ขึ้นธรรมาเทศเลยหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่ทันที ท่านก็แสดงธรรมอ่ะให้ญาติโยมฟังอ่ะจนจบลูกศิษย์ก็นํากาแฟมาถวายด้วยความรียบร้อนกลายไปหยิบกระปุกเกลือตักแทนใส่น้ำตาลเนี่ยหลวงพ่อฉันไปได้หน่อยหนึ่งท่านก็ท่านก็พูดบอดีเนาะแล้วก็วางแก้วลงเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยผู้ลูกศิษย์เดี๋ยจะชอบขอของเพราะท่านเป็นพระเกจิปรึกษพระเครื่องด้วยเพราะว่าการรับประทานของที่เหลือจากครูบาอาจารย์น่ยถือเป็นมงคลชีวิตลูกศิษย์ จึงมาขอทานกาแฟาต่อจากหลวงพ่อทานไม่ได้คำหนึ่งก็พ่นพูดอะไไปเลยบอกคิดไม่ปีหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะฉันกาแฟห ว, น ว, นวนมานๆมามากแล้วนี่คือการบองโลกในงแง่ดีของท่านอะไรก็ดีเนาะหมดมีครั้งหนึ่งท่านไปเดินมิถอดเพอเอเด็กมาทะเลาะกันเฟียงก้อนหินใส่มาโดนโดนหัวท่านแตกเลยญาติโยมเห็นเข้าก็รีบมาเอายามาทาแผลแล้วก็ดา่า เด็กพวกนั้นน่ะหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะที่มันไม่โดนตาอันนี้คือการมองโลกในแง่ดีของท่านนะถ้าโดนตาตาบอดได้โดนหูวก็แตกไม่เวลาหรอกแล้วมีอีกหลายเรื่องนั่งรถไฟที่หัวลําโพงท่านตั้งใจจะกลับอุดรบอรเอิญนะ่ะมารถไฟไม่ทันรถออกไปแล้วท่านก็บอกก็ดีเนาะได้ชมกรุงเทพ อ, อีกวันหนึ่งแล้ววันต่อมาท่านก็มานั่งรถไฟกลับอุดรทันท่านก็บอกก็ดีเนาะจะได้กลับบ้านเรา แล้เรื่องที่อาธมาชอบก็คือเรื่องอยู่เรื่องมีโจและป้นท่านแหละเพราะว่าท่านเป็นพระ ท, ที่เป็นกิจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นเจ้าคุณชั้นเทพเนี่ยพวกโจก็คิดว่าท่านน่ยมีทรัพย์สมบัติมากขันดาวกาดก็มาป้นมาถึงก็คมขู่เลยให้ท่านอะส่งของมีค่ามาให้หมดหลวงพ่อเห็นโจรก็ยิ้มย้มใส่โจรบอกเอ็งป้นไปก็ดีคือพูดว่าก็ดีเนาะข้าจะได้ไม่ต้องเฝ้าสมบัติว่าบ้านนี้จะได้ หมดหัวหมดพา ร, ราทั้ทีโจนมันก็พูดข่มขู่ต่อว่าฆ่าเนี่ยไม่ได้แค่ป้นเท่านั้นนะก็จะฆ่ า, าหลวงพ่อด้วยเพื่อปิดปากเดี๋ยวบอกตำรวจหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะฆ่าเองเนี่ยแก่มากแล้วต้องมาดูแลร่างกายสังขารที่สุดโทมเองฆ่าฆ่าก็ดีจะได้สบายสบายทั้ทีโจนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใจอ่อนเพราะไม่เคยเ จ, เจอแบบนี้มาก่อนอนะ่ะยิ้มไม่กลัวโจเลยสักนิดนึง โจรก็พูดว่าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อบอกก็ดีเนาะถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตํารวจตามจับเผลอๆโดนวิสามันหรือไม่เองก็ต้องคุกติดตารางแหะหรือถ้าตายไปก็ต้องตกระลอกโห ม, ไม่ไหไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่าฆ่าก็ดีเนาะโจรได้ฟังดังนั้นเนี่ยจากตอนแรกที่จะปน้นที่จะฆ่าเนี่ใจเปลี่ยนเลยบอกงั้นฉันไม่ป้นหลวงพ่อก็ได้ก็เลยกลับไปมือเปล่าเพราะการที่หลวงพ่อเนี่ย มองโลกในแง่ดีแล้วไม่กลัวโจรแล้วก็ปลี่ยให้โจรเป็นคนดีนะตอนหลังโจรสำนึกผิดโดนตำรวจจับเข้าคุกไปแล้วก็พ้นโทษมาก็บวชกับท่านท่านเปลี่ยนแลให้กายไปดีได้อย่างพวกญาติโยมเนี่ยกลับบ้านไปทํางานถ้าเจอรถติดเสียเวลาเราก็บอกก็ดีเนาะเจอเจ้านายดา่าก็ดีเ น, ะนาะอธิบายไม่รู้พวกโยมทําอาชีพอะไรจะเกี่ยวโรงพยาบาลหรือไถ้าเจอคนคนป่วยหรือคนไข้แบบงี่เง่าอะ่ะบางทีเจ้าอารมณ์อ่ะ แล้วก็ดูใจแล้วก็บอดดีเนาะนี่ช่วยได้หมดเลยนะทุกที่มากมายของโยมจะลดลงทันทีเลยอะไรอะไรก็ดีเนาะหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ดีเนาะด้วยเนี่ยแย่หมดเลยโยมสังเกตไหมเวลาดูข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเพราะคนเราโดยพื้นจิตจะเห็นกันตัวอยู่อย่างภรรยาเห็นสามีเนี่ยไปมีกิ๊กหรือมีชู้เนี่ยทีเ่เผล่ค่าสามีหรือตาบค่าผู้หญิงที่เป็นชู้ก็มีหรือสามีก็เหมือนกัน รู้ภรรยามีชู้เนี่ยบางทีก็ฆ่าชู้ด้วยฆ่าภรรยาด้วยก็มีเพราะเห็นแค่ตัวอยญ่เขาให้ความสุขกับเราคนเดียวแต่แต่ถ้าโยมตั้งจิตใหม่นะเราเนี่ ย, ยใหญทุกคนที่เรารู้จักมีความสุขเนี่ยคนรักไปมีชู้มีกิ๊กก็ไม่เป็นไรอันนี้คิดแบบอนามา้วนโะยอาจจะไม่คิดแบบอนามาก็ได้เราก็มีความสุขด้วยเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเราก็ไม่ได้พีไปทําร้ายอะไรเขาหรือเราอกหักเอาไปจีบใครแล้วเขาไปรักเราเนี่ยก็ดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของเรา หรือไม่คู่ควรกับเราหรือเราไม่คู่ควรกับเขาแต่ละบาง <c oughs> คนไม่คิดอย่างนั้นไปจีบใครแล้วก็หวังว่าเขาต้องเป็นของเราแน่นอนพอไม่ได้บางคนฆาดตัวตายก็มีอันนี้คิดผิดนะฮะคือเรียกร้องเพราะคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่เราจีบไป่ตายเขาก็ไม่ใช่ของเราหรอกแต่ละคนที่เป็นเนื้อคู่เนี่ยฟ้าดินกําหนดไว้แล้วไงก็หนีไม่พ้นถ้าเราต้อยอมรับความจริงตัวนี้ด้วยการมองบวกยังช่วยได้การเราที่การที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อเรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเอง แต่ถ้าเราไม่มาปฏิบตัติไม่มาฝึกเราไม่รู้นะเราไม่รู้เราเป็นคนยังไงกันแนะ่เป็นคนขี้ฉาโลคคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโกรธเป็นคนหลงคนชอบคิดเปรียบเทียบชอบมองคนในแง่ร้ายหรือเห็นกับตัวเราไม่รู้หรอกเพราะว่าความคิดมันหลอกไนงะเรามาเริ่มมาเห็นความคิดเราเนี่ยเราจะรู้เราไม่ใช่นคนดีเท่าไหร่หรอมันจะค่อยๆเอาขยะออกค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพอเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เนี่ยชีวิตเราก็มีความสุขมากขึ้น เพราะบางครั้งเนี่ยเราไป็ตัวปัญหานะแต่เราคิดว่าคนอื่นคือปัญหาอย่างมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีชายอยีกคนหนึ่งมีปัญหามีแก๊สในกระเพาะอาหารมากไปหรือแก๊สในลำไส้นี่แหละคือหายลมทั้งวันแหละคือตดทั้งวันน่ะตดไปตดมาจนแกล้งคานก็เลยไปหาหมอคั้นไปปรึกษาหมอแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าตดผมเนี่ยตดทั้งวันแต่ว่าตดของผมเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงนะแต่ผมําคาญมากเลย หมอนั่งฟังอยู่เนี่ยหมอก็ทำหน้าบอกคุณไม่รับคือหน้าเบ้อะแต่ชายคนนี้ก็ตดไปหลายครั้งนะระหว่างที่มาหาหมอคือสีหน้าหมอกันไม่ค่อยสู้ดีสักพักหนึ่งหมอก็เขียนฉลากจ่ายยาให้แล้วก็บอกชายคนนี้ว่ายาหมดแล้วมาหาหมอใหม่นะอาทิตย์หนึ่งผ่านไปหมอให้ยาอะไรผมเนี่ยเมื่อก่อนตดของผมเนี่ยไม่มีกลิ่นตอนนี้เหม็นเหม็นบรมเลยเหม็นเหม็นมาก ยาลายหมอหมอก็หัวเราะบอกว่าการรักษาของหมอเนี่ยได้ผลไปครึ่งแล้วต่อไปคุณต้องกินยาเพื่อรับรู้เรื่องเสียงพอตอนนี้เรื่องกินเริ่มใช้ได้รับรู้นิทานเรื่องนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงคนทั่วไปนะที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่ลางที่เราชอบมองคนอื่นเป็นปัญหาไงแต่บางทีเราก็เป็นปัญหาแท้เองนะมันยากนะเรื่องนี้ฝ่าเราจะรู้ว่าเราเป็นคนมีปัญหา คือถ้าเรารู้อาการว่าเราป่วยโรคอะไรเนี่ยหมอก็รักษาจ่ายยาเราถูโรคได้แต่ถ้ า, าไม่รู้ว่าเราป่วยอะไรหมอจะให้ยาไปถูเหมือนกันจ่ายยายอะไรให้โยมเพราะแต่ละคนมีจริตนิสัยแตกต่างกันไงโรคทางกายก็ต้องหาหมอแต่ถ้าโรคทางใจเนี่ยก็ต้องพึ่งธรรมะของผู้ที่เจ้าทุกคนป่วยเป็นโรคบ่นแหละใครเป็นโรคบ้างโรคน้อยมีแต่ผ้าริบุคคนเนี่ยตั้งแต่โสดบานขึ้นไปเนี่ยถึงไม่เป็นโรคแต่ใครยอมรับหรือไม่ยอมรับนี่อีกเรื่องหนึ่งเพนพวกโยมมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้อง เริ่มรู้ตัวเองนะว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงกันแนะ่พอเรารู้ว่าเราไปโขนยังไงปุ๊บกระบวนการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นรู้ว่าตัวเองโมฆิฉาเห็นเขาอยู่ได้ดีเราก็เปลี่ยนความคิดว่าอืมเขาได้ดีก็ดีไปอนุมโมทนาเขาด้วยซ้ําแทนที่จะไปหมั่นไส้เขาเพราะถ้าเราอยากเขาได้ดีด้วยเราก็มีความสุขนะแต่ถ้าคิดแย่เขาเนี่ยชิบหายวายป่วงอะไรไปเนี่ยจิตเราคิดลบเราก็ทุกข์ด้วยนะเพราะว่าโดยพื้นจิตใจคนเราเนี่ยเราชอบใครเราก็ชมเขา ให้กำลังใจเขาแต่เราเกลียดใครแล้วก็อยายเห้เขาเดืยพีนาศหรือเสียหายต่างๆอันนี้เป็นพื้นจิตของมนุษย์เลยเราจะเห็นใน a c e b o o k เนี่ยหรือในข่าวจะเป็นอย่างนี้แทบตรงนั้นเลยเพราะนิสัยคนเราจะมีอคาาติไงมีชอบก็บไม่ชอบแต่ถ้าเรามาฝึกสติแล้วเปลี่ยนมุมมองนะเห็นใครทำความดีแล้วก็สาทุอันนี้เราก็ได้บุญด้วยแลวเรารู้เรารู้ว่าเราคิดไม่ดีปุ๊บเรารีบมาดูจิตเราเลยเปลี่ยนวิธีคิดด่วน เปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลให้เป็นกุศลเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนจากบาปให้เป็นบุญถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บชีวิตเราก็เปลี่ยนก็เหมือนชายคนที่อรมาเล่าแหละยกนิทานมาเปรียบให้โยมเห็นภาพชัดก่อนหลวงพ่อพระทา่า น, นแต่งไว้นะครับว่าหมูนกจ้อง ม, ม, มองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ําเย็นสยใสไส้เดือน ก็มองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็มองไม่เห็นคู่ที่ดูดกินคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลกต้องทุกโศกบุญกิจอยู่เป็นนิจจสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ธรรมตามระบินเห็นหมดสิ่งทุกสิ่งตามจริงเยลยเราสังเกตไปพวกหนอนอ่ะกินขี้อยู่ทุกวันมันก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยู่ในขี้แหละเขาชอบอ่ะ ขณะมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าเทวดาชวนให้อยู่บนสวรรค์นี่ยหนอนยังไม่ไ ป, ไไปเลยหนอนยังบอกว่าเนี่ยแค่เทวดาบอกว่าเวลากินอาหารเนี่ยแค่นึกอาหารก็่ลอยมาหนอนบอกไม่ต้องนึกเลยกินได้กินได้ตลอดเวลาแล้วก็ว่าโลกของตัวเองดีกว่าไงอันนี้ก็เปรียบเหมือนคนบางคนเนี่ยก็ว่าตัวเองไม่ได้มีความทุกข์อะไรเพราะแบบคือชินชาความทุกข์ไงอย่างคนที่อยู่อยู่กับปั้มน้ำมันเนี่ย มันได้กลิ่นน้ํามันทุกวันทุกวันก็จะมีความรสึกว่าไม่เหม็นนะคือเขาปรับตัวได้ไงแต่มันก็ทําลายสุขภาพเขาหรือคนที่อยู่กับศพอย่างในโรงพยาบาลตารวจเนี่ยอันว่าเคยไปดูศพนะที่เขาวางเรียงเรียงกันไว้อ่ะก็เหม็นนะถึงจะฉีดยาก็เถอะคนที่ดูแลศพก็กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ย ว, ต, ว, ต, ว, ต, ว ต, ตรงข้างศพไปแหละคือเขาชินกับกลิ่นไงกินศพเขาจะมีความไม่รู้สึกว่าศพเนี่ยเหม็นแต่เรา นานๆเข้าไปทีเราจะรู้ว่าเหม็นอย่างคนที่เก็บขยะหรือคนที่อยู่กับขยะเนี่ยเป็นอาชีพเนี่ยพนัก ง, งานเทศบาลเนี่ยเขาจะชินกับกลิ่นเหม็นนะเขาจะไม่เหม็นหรอกอย่างเราไปดมดมกลิ่นเข้าดีแทบอ้วกเลยถ้าคนที่อนามัยจัดจัดนะคือคนที่อยู่นา น, านเนี่ยมันจะเป็นสิ่งนั้นอย่างพวกโยไ่ไปคบคนที่คนพานเอาสมมติไปคบคนที่กินเหล้าดูบุรีครบคนที่ติดใบยมุก หรือคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดเรื่องชั่วๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็เป็นคนชั่วไปด้วยแต่ถ้าเราไปคบคนดีเราก็จะซึมซับไปสิ่งที่ดีแหละคบบัณฑิตนะในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าบอกไม่คบคนพาเนี่ยเป็นดับแรกเลยคบคนพาเนี่ยพาไปหาผิดตลอดสายเลยนะพาไปลงนรกพาไปทุกพาอะไรไปเยอะแยะหมดบางคนเนี่ยไปคบเพื่อนชั่วเนี่ยไปค้ายาบ้าตัวเองไม่รู้เรื่องด้วยเลยเผลอๆไปโดนพวกฆ่าตายก็มีเพราะเขาจะฆ่า หรือจะจับคนนั้นอ่ะตัวเองก็โดนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือไปในที่ศาลที่อภิญญุคข้อจริงกันตัวเองก็โดนด้วยก็มีหรือเสียชื่อเสียงด้วยพบคนธรรมะธรรมโมเนี่ยแล้วก็ต้องหันมาสนใจปฏิบัติธรรมเรียนธรรมะอ่านหนังือธรรมะเข้าวัดเข้าวาชีวิตล้วก็เปลี่ยนนะเพราะบางทีเงินเดือนที่โยมได้รับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าได้มากได้น้อยหรอกมันเกี่ยวว่าพวกโยมเนี่ยสามารถทําให้เงินน่ะ น, น้อยหรือมากต่างหาก ถ้าเราควบคุมรายจ่ายได้ตัดสิ่งที่เป็นเอ า, เอายามุ็หรือกิเลสเราไปได้เนี่ยเงินเราก็เหลือนะอย่างบางคนเป็นคนเสเพได้เงินมาก็ไปกินไปกินเหล้าหรือไปเที่ยวบาร์เที่ยวอาบอบนวดปั๊บเดียยเงินก็หมดแหละหรือไปเล่นการพนันนะแต่ถ้าเรารู้จักเก็บหอมอรอมลิบแบ่งส่วนที่จะใช้เอาส่วนนี้ใช้ส่วนตัวส่วนนี่ให้ครอบครัว ส่วนนี้ทําบุญทากุศล ส, ส่วนที่เก็บไว้เนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยเพราะคนทั่วไปมักจะเอาเงินอนาคตไปใช้ไงไม่ใช่เอาเงินปัจจุบันนะสมมติเราอยากได้นู่นได้นี่เนี่ยอยากได้เือถือรุ่นใหม่พาทีเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ไปไปผ่อนเขาไว้หรือไม่ก็ไปยืมเงินเพื่อนก็มีหรือไปกู้นี่ยืมสินมาอ้าวอยากมีรถเราก็ไปกู้นี่ยืมสินอันนี้มีวิธีที้ดิผิดนะหรืออยากมีบ้านแต่ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ เมื่อเรามีเงินแล้วเราค่อยซื้อเนี่ยเราก็จะไม่เป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าการมีเงินมากเงินน้อยอยู่ที่ตัวโยมเองบางคนเงินเป็นแสนหรือมากกว่านั้นเนี่ยมีแต่รูรั่วมีแต่รายจ่ายเงินก็ไม่พอใช้หรอกเพราะว่ากิเลสไม่เคยปานนี้ใครแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ปุ๊บชีเราก็มีความสุขขึ้นครอบครัวเราก็อบอุ่นคือพอใจในสิ่งที่ตัวเอ ง, เองมียินดีสิตัวเองได้ ไม่เรียกร้องไม่ดินน้นรนจนเกินกว่าเหตุเนี่ยคือใช้แบบชี้พอเพียงอัลมาเห็นว่าพูดมาเนี่ยก็สมควรแก่เวลาสุดท้าย น, นี้ขออภยญาติธรรมทุกท่านเนี่ยมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยขอจบลงแค่นี้